ฟางทมต่ อ, อเช้ชีวิตแบบวิถีพุทธตื่นขึ้นมาก็สาทยายพระสูตรบทสวดวางบทยาวต้องหายใจออกยา ว, ยาว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 เราไม่จุดทูจุดเทียนให้มีคาร์บอนในที่นี้อากาศบริสุทธิ์มีต้นไม้ไม่มากมก็บรรยากาศวิถีพุทธเรามาสร้างจังหวะการเคลื่นอนไหว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 เราเดนินจงกรบได้ทุกส่วนของร่างกายบริหารทั้งกายทั้งใจในสิสติเอาไปกลิ้งอยู่เสมอในชีวิตไม่ได้บักหมุมบ็ดอ้อห็น <c oughs> ที่อยู่ทาง น, น้ำไหลไม่ขึ้นสนิม ก้อนเห็นก้อนใดที่อยู่ในน้ําที่นิ่งมักจะเป็นสนิมไม่เปี้ยงเก่ายือของเราต้องเครื่องเก่าไม่ไม่ใช่หมักผมอยู่แต่ในล่มไม่ออกมีแสงแดดไม่มีลองฝนก็อ่อนเด้อไอ้ถูกแดดบ้างถูกฝนบ้าง ดังเดินจงกรมถ้าเหยียบดินได้ก็ดีด่าไปเทปูนไม่ค่อยดีฝ่าเท้าของเราไม่สวมรองเท้าเดินอยู่บนแผ่นปูนมันก็ไม่ดีไม่เหมือนแผ่นดินเราเหยียบดินเนี่ยมันไม่ใช่เสียหายเป็นประโยชน์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 โลูกชาวนากำเดดกองฝนอยู่กลางทุ่งไม่มีการเจ็บไข้หรืป่วยฝนตก็เปียกแดดออกก็ร้อนแข็งแรงอันเราก็วิถีพุทธเนี่ยมันมันลุยๆชั่หน่อยเวลามันหลงลูกขึ้นมาทำให้แข็งแรงถ้าหลงเป็นหลง ล้ว ก, ก็หมกหมมวนเดสุกปรสุกทุกบันทุกเราต้ อ, องอนตอนตนสอนตอนดูแลตนพิพากษาตนโจทย์ต น, ตนบบบนี้เราไม่เพือต่างจากฤทธิ์หัดแล้วลการจียาใดๆของสมนะเราต้องทำมาการจียานั้ น, น, นเราต้องทำตัวให้เขาเรื่องง่าย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 จะให้มีสินถ้าอยากมีสินหรืออยากมีวุลต้องล้างบาปออกเอาบาปออกถ้าอยากมีความดีเอาความชั่วออกมันเราอาบน้ ำ, นำ <c oughs> อยากได้ล้างก า, ารสาติต้องอาบน้ ำ, นำ น้ำเป็นเหตุทำให้สะอาดอยากได้เสื้อผ้าสาอาดต้องซักน้ำน้าเป็นเหตุทำมาเสื้อผ้าสาดยืดของเรามม่ฉิงทำให้สะาดกองมชั่วออกไปควาสะอาดก็เกิดขึ้นบาปออกไปบุญก็เกิดขึ้น ตัเหตุของบาปก็คือตัวหลงตัวเหตุของบุญก็คือไม่หลงก็ไม่หล ง, ลงบุญก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าหลงบาปก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหตุมาอยู่ที่นี่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 ร่างกายเป็นเรือจะติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม่พายถึงฝั่งได้ถ้าเรือขาดหางเสือไปไม่ถูกทิศทางจะพูดจะทำจะคิดรู้สึกก่อนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดหัดใช้สติตัวเรือมีหางเสือ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 กลยว่าไปบรรลุถามตอนที่เห็นบัรคิดโดยที่ไม่ตั้งใจคิดทีใดรู้คนมาทีแรกก็รู้เฉยๆเอามันคิดที่ใดก็รู้เอาว่าที่รู้ทุกครั้งที่มันหลงคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสีอหายเป็นเรื่องที่เตรียมพร้อมชํานาญเหมือนงานผ่านมืออยู่บ่อยๆงานอะไรก็เลยเป็นงาน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 ถ้าทำบ่อยก็มีผีมือขึ้นมาเป็นผีมือปลาณี่ถ้ามียอ่อช้ำมาใหม่ก็หยาบพอชำนาน น, นก็ปราณีตการมีสติไปเห็นความคิดเนี่ยมันหยาบถ้าเห็นก็ไปนานๆก็ปราณีตขึ้นจ้าเอนะว่าจ้าเอกัน ตื่นแต่ก่อนไม่ตื่นแล้วธรรมดาธรรมดาตอนทีก็งูไปในความคิดด้านไปในความคิดไม่อายเลยเพอมาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะเอกันโอโถตื่นอยากจะลองออกมาเลยโอ้ยต่อไปนี้อันทุกข์อันโศกที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้ว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 มันเป็นธรรมชาติเพื่อเขาอยู่โลดสัญญาณภัยของเขาเราก็ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรจบทันทีอะรที่มเกิดขึ้นแั้นก็จบไปจบไปแล้วก็มีปัญญาเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องถ้าเป็นความทุกข์ก็กำหนดรู้ถ้าเป็นทุกข์ฝังอย่างมัรเทาถ้าทุกข์ฝังอย่างต้องละตามขั้นตอน ไม่ใช่ทุกต้องมดเกี่ยวกับทุกอย่างแม่นยมถูกต้องเหน่เข้าต้องจินท่าว่าบัรเทาถ้าหายใจกันเคลื่อนไหวกันทุกขเวทนานี่ก็กำหมดลูยเฉยๆต้องหายใ จ, ยววย ต, ยใจต้องเกิดน้ำลายต้องคิปตา อันทุกโสกไปเทวาดันตรงละกอมโกดบรนเทาไม่ได้อันหนึ่งบันเทาอันหนึ่งละอย่างมีระเบียบต้องมันบอกบอกผิดบอกถูกแล้วก็เป็นไปได้ถ้ามีสูตรสูตรขนมก็มีสูตรสูตร สูตรต้องหารก็มีสูตรถ้า <c oughs> ไม่ถูกสูตรมันก็ไม่ดีใช่ม ไ, ไม่ได้ชีวิตเราก็มีสูตรสูตรที่ทำให้มันจบในชีวิตนี้สติปัฏฐานสูตรดังที่เราสาธทยาย ในพระสูตรเนี่ยจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิคืออะไรพอถึงสมมาส ม, มาธิถึงไหนสมมาทิติไปถึงไหนอาจจะก้า<อ>ไปไม่มากสัมมากรมสัมมาดำสัมมา อ๋อแล้วสมาสมาควรอดีตนอะ่ะมันจาสร้างาวันวันมันก็ไปไม่ไก่สมากรรมวันตาไปไม่ไก่สมาวาจาไปไม่ไก่เท่าไหร่ส่งไปขึ้นกลางกางโอ้ถึงสมาสติออกไปแล้ววะนะัน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 หมดแต่ว่ามันพุ่งขึ้นไปบ้างไปพุ่งขึ้นไปไ ป, ไปขวางอยู่วันจะลงก็มาลงมันขวางแล้ววันเมื่อมันขวางมันไม่ไ ม, ไม่ลงง่ายตั้งนาฬิกาไว้ของใครจะได้กี่นาทีแต่มันที่งขวางสูงจนขวางตัวรออยู่แล้วก็บววที่สูงมันจะเบาไมันมีน้ําหนัก เขาอยู่ได้นานไม่รู้จะโงตรงไหนบางคนก็หว่นไหวพวกอยู่ข้างล่าง ม, ามันจะลงมาตรงไหนต้องวิ่งเข้าที่ที่ที่ปลอดภัยดูใครก็ถูกตรงหัวของใครของมันแล้ <c oughs> มันไปยาวๆก็มันก็ไม่ก็จะระวังยาก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 ตายไม่ใช่ตายเข้าลงตายอยู่ตลอดเ่ว่าเกิดดับเกิดดับถ้าเราออกไปได้มันก็หยุดแล้วปริงยามาลองตากประโยชน์สวนโมกสมัย514เป็นยาที่นั่นตายก่อนตายเป็นยาสวนโมกว อ, อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ผู้ทา่านพูก่อนแล้ว ไม่ไม่ได้พูดเลยขาใช่กับพูดของท่านมาพูดอย่างนี้ตายก่อนตายนิพพานือตายก่อนตายแต่นี้คือว่าตั้งสวนโมกในกรุงเทพชีมลองนิพพานนิพพานชีมลองตั้งแต่หลงเป็นไม่หลงคีมรองไปแล้วทุกเป็นไม่โธ่โกรธเป็นไม่โกรธีมลองเย็นแล้ว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 พระหน้ากายใจถึงมรรคผลผนิพพานในใจอยู่ที่ไหนเรามีรูปมีนามมาเอามาเป็นพ่วงแผลขี่ข้ามภาคมีชิติมันหลงข้ามไปจ้ะอย่าให้หลงเป็นหลงจ้ะข้ามไปแล้วเจ้เราจุกโตโ่อขอเป็นสะพานให้คนข้ามถ้าข้ามไปก็เรียกว่าสะพานแล้ว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 มันแตกได้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงมีวาดชนแล้วมันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธวาดนาแล้ววาดใหม่แล้วอันเก่าออกลบออกวาดใหม่วาดใหม่เราเนี้บบนวาดนาอยากให้งามก็เขียนเราขอให้งามก็เขียนเรามีสัจธรรมมีวิไหนมีทํำไมได้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 อย่าอ้อนวอนมีการทำลงไปได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนะมันไม่ใช่แค่นี้มันไปไกลนะพอหลงไม่หลงไปไกลมากหยุดทำไม่หยุดไม่หยอนถึงมากคนนี้ผ่านเลยถ้าหลงไปหลงไปทางหน่ เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย <c oughs> ์อยู่ในทางสี่แพร่งเหมือนเรามายือนอยู่บนทางสีแพ่งทางหนึ่งไปสู่อบายภมพทางหนึ่งไปสู่สวรรค์ทางหนึ่งไปสูพ่พุทธโลกทางหนึ่งไปสู่รมรรคผลได้ผ่านจิตทิจะไปทางไหนเราเยือนอยู่สีแพง่ง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 เขาเข้าไปส่งพ่อเห็นคนเดินเข้าเครตะวันมากเห็นคนเดินไปแต่งตัวขาวๆเหมือนพวกเรานะเรียบร้อยมะก็ เ, เลยเดินไปตามเขาว่าจะไปส่งเข้าพ่อก็ เ, อเลยไม่แยกทางไปกับผู้คนออกไปฟังเทศผู้เ จ, เจ้าอยู่ผู้เจ้าอเทศอยู่แสดงธรรมอยู่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 10บาทอันคึงทำตัวเล็กๆนะหนังสืออันโลระสิบบาทตัวใหญ่หรือหมอืนไปอันขึก น, นะเรีกว่าโลระสิบบาทแล้วเขาขวดอันข้างหลังให้ก็หน้ากัาไม่เก็บมาโลกสวยๆนะเอาข้างหลังก็ช้ำหมดแล้วเอาใส่เขาก็ช้ำอ่ะกิโลหนึ่งอะไรให้หน้อยทจ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 มันอยูที่ใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสตมามโรยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญมีใจเป็นหัวหนนะ้าสําเร็จอยู่ที่ใจปล่อยทิ้งไหมเราปล่อยใจเชื่อมั้ยอะไรเป็นใหญ่ตาหูจมูกเล่นกายใจก็หลับใช่ดังนั้นตาพูดหวานก่าถ้ า, าเห็นรูปอะไรโชก่อนความพอใจความไม่พอใจมาโชนี่เราว่าเขาโชนะ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 คิดถึงวิป า, ากมาคิดถึงราหุตกับมาคิดถึงประชาธรรมดูกลับมาคิดถึงทรัพย์สินเสด็จขานกลับมาคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิกับมาทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมาแล้วก็เรียกกัเป็นอย่างนรไมาเชื่อยากเกินไปไม่เชิง่ายเกินไปก็มีพอสมควรอุ้มมีความเพียรมั่นคง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 มากขวัวลูกมันก็ไม่สมควรถ้าลู้มากขวัวหลงก็สมควรตามสมควรแจกผู้ปฏิบัติวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหกหกสิบนาทีนะกี่กี่นาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงหกชิบนาทีเป็นหนึ่งนาทีนาทีหนึ่งหลงเท่าไหร่ลูกลูกเนะ ชั่วโมงหนึ่งของวันเท่าไรเดินไปชั่วโมงหนึ่งได้กี่ก้าวรู้ไหมหัใส่แขนรองโดรนตาก็หัดนับเงี้ยวที่ผ่านมาแข่งแขนได้สามพันครั้งนะแข่งแขนทําวเทอไปแข่งแขนได้สามพันครั้งเราเดินชกชกอกกกี่ ตั้งหลายพันเก้าเป็นชั่วโมงครึง่งดูแลตัวเองส่วนเนี่ยเอาเวลาเนี้ยไปดูแลตัวเองเนจนถึงเวลาฉันเช่านะมันได้เป็นงนโอสดฉิ น, นยาจอมชาวบ้านมาสมทานฉินเออสมทานศินประกาศฉินเออทะ ย, ยุก